ตั้งตาวังที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จหงดงามเท่รอยิของเธอตั้งตาวันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะเงียมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอสวยกว่า ยังจำได้ๆวันแรกที่เราได้เจอกันเธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทันและก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดขึ้นเมื่อไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจตั้งแต่วันที่ได้พบ จำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน